โมจสาภะกะวโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสานาโมตัสาภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสานาโมจตสาภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสาลาดับต่อนี้ไป จะได้แสดงธรรมะในอนุสติตามที่ได้บรรยายมาแล้วทั้งเก้าข้อวันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายคืออุปสมานุสติความรึกถึงความสงบหรือนึกถึงนิพพานธรรมอันเป็นเครื่อง ดับกิเลสละกองทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจจะได้ในข้อนี้ท่านสอนให้รละลึกถึงคุณแห่งความสงบบุคคลที่มีใจสงบแล้วก็จะทำให้ใจไม่วุ่นวายในอารมณ์ต่างๆ เหมือนกับคนหลับกับคนตื่นคนตื่นอยู่ก็คิดเรื่องราวต่างๆไปคนหลับแล้วก็ไม่คิดเรื่องราวต่างๆก็นอนสบายไปหรืออย่างหนึ่งในข้ออุปสมานุสตินี้ก็เหมือนกับข้อเทวดานุสติ แต่นั่นยังเป็นอิงบุคลาภิฐานยังอิงบุคคลแต่ในข้อนี้อิงธรรมอิงคุณธรรมที่จิตใจสงบแล้วกับจิตใจพ้นจากกิเลสแล้วขอแนะนำํำเรื่องจิตใจสงบแล้วก่อนจิตใจที่สงบแล้วก็คือจิตที่เป็นสมาธิ อารมณ์ของสมาธิมีความสงบความสงบกับเรื่องวุ่นวานยาต่างๆคือจิตไม่มีอารมณ์ของการมาฉันความพึงพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นจิตไม่มีอารมณ์ถึงเรื่องพยาบาดความคิดประทุษร้ายทำร้ายโกรธขัดเพื่อขัดแย้งแค้งเคืองเกลียงกันอะรกันเป็นต้น สารที่นั้นมีทอารมณ์ที่สงบเพราะด้วยที่จิตผ่องใสไม่ท้อแท้เหนื่อยนายต่อการปฏิบัติอุทจักกุจจะเพราะจิตที่หมดความพุ่งสร้าง ลองเปรียบเที่บดูดูคนกําลังมีจิตฟุ้งซ่านแต่มีความรู้สึกไปอย่างหนึ่งถ้าความฟุ้งซ่านมันหายไปจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตก็จะสบายมีอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งในที่นี้ถ้าความฟุ้งซ่านไม่มีก็เกิดความสบายในใจขึ้นท่านให้นึกถึง คุณที่สงบแห่งความทุกขานั้นแนวจิตใจของตอนเองก็จะเกิดความสุขสบายสมมติบ้านเรือนบ้านเมืองมีค่าสึครุกรานเข้ามาเราก็ต้องออกต่อสู้ความเหนื่อยยากความหนักใจความเจ็บปวดเสียชีวิต พ่อพึงรำพึงด้วยฟารรมกันไม่สงบแต่เมื่อสงครามเหล่านั้นสงบแล้วเป็นปลายชนะแล้วเราก็สบายใจนึกถึงความสบายใจของครามไม่คง้านเช่นเดียวกับหมดค่าถึกแล้วก็ทำให้จิตใจเกิดความร่มเย็น เป็นจอนความสงสัยอันใดทำให้จิตข้องอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อหมดความสงสัยเสียได้ความที่จิตคล่องไม่แน่วงไปหนึ่งไดนั้นก็หมดไปจิตใจก็สงบสบายในขั้นต้นอุปสมานุสตินึกถึงใจที่สบายแล้ว การไม่ถึงใจที่สบายและไม่มีอารมณ์อันเป็นนิวรณ์หรืออกุศลใดๆมารบวรกวนจิตใจของเรานั้นก็จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายแต่ความสุขและความสบายที่กล่าวมานี้ทางโลกหมายความว่าไม่ตรองเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอีกแต่ในที่นี้หมายความว่า จิตที่สงบจา ก, กิเลสและความสุขที่เกิดขึ้นนี้มีสุขมีเกิดขึ้นในความมีสติความสุขที่ประกอบ ด, ด้วยสติมีสติรู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่การระลึกถึงอารมณ์แห่งความสงบนั้นก็จะทำให้จิตใจของเราของแผ้ว เมื่อจิตใจของเราของแผ้วก็มีสมาธิมีฌานเป็นต้นมุ่งหมายเอาผลแห่งความสงบแล้วมาอบรมจิตของเราให้เห็นคุณค่าแห่งความสงบนั้นเพื่อให้จิตของเราไม่วุ่นวายด้วยประการต่างๆก็จะเป็นเหตุให้จิตใจของเราเกิดความสงบ ได้เพราะว่านึกถึงความสงบด้วยความมีสตินำความสงบนั้นมาอยู่ไว้กับิดไว้กับิดหรือใช้คำว่าอุปสมะความสงบมาเป็นคำภาวนาะแล้วก็รู้สึกตัวว่าจิตของเรา ไม่ได้วุ่นวายอะไรเป็นอุปสมะคือสงบแล้วไว้เป็นอารมณ์ด้วยความมีสติจนฝ่าจิตของเราจะสงบจริงถ้าสงบได้เดียวเดียวไม่นานนะักก็เป็นคุณเรียกว่าคณนิกะสมาธิสงบได้เป็นพักๆ ก, กอ็อุปจาระสมาธิถ้ามุกสงบได้ แน่วแน่ดิ่ล ง, งไปหรือเป็นฌานก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิเหล่านี้มีคุณประเสริฐล้ำเลื่อนกับจิตของเราเป็นอย่างยิ่งมีความสุขมีความอุ่นใจมีความสบายใจจิตสงบไม่มีค่าสึกคือพิเรศจิตสงบไม่มีสิ่งใดที่จะมารบกวนและขัดขวาง จิตสงบดีแล้วย่อมผองแผ้วไม่มีใครบังคับมีความผาสุกตามธรรมชาติเองในขณะจิตที่สงบนั้นลองนึกดูก็ได้ว่านี่มายตรงหมายว่าชัามนานซะก่อนถ้าเรานึกถึงเรื่องราวต่วๆในทางโลกเป็นตนนึอเคยถกเคยเถียงอะไรกับใคร และเราลองนึกปล่อยวางความสงบเสียมานึกทึ้งส่วนนั้นจิตที่สงบอยู่กับจิตความสงบอยู่กับจิตนั้นจะดึงจิตกลับมาอยู่ในสภาพเดิมไม่ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เคยทะเลาะวิวาทหรือมัวหมองประการใดนั้นท่านจึงสอนให้นึกถึงความสงบไว้เป็นอารมณ์ คนมีได้ทั้งสองประการคือทั้งสมถะและวิปัสสนาที่กล่าวมานี้สมถะคือความเป็นสมาธิอันหนึ่งจิตใจของคนเรานั้นจิตของเรานี้ชอบอยู่กับความสงบและมีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนจิตของเราชอบไปอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าหาว่าเป็นใม่ฝ่ายโลกิยะ จิตเขามุ่งหาความสุขสบายอย่างเดียวแต่จะหาเป็นการปฏิบัติธรรมจิตเข้าหาสู่ความสงบได้แล้วมีสติรู้อยู่ความนวบหรือดูความสงบที่จิตเพื่อให้จิตเป็นสมาธิคือหมายความว่ากรลัดความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความเง็นั้นออกไป มีสติให้เกิดความตั้งมั่นอยู่ในความสงบจิต ท, ที่มีความตั้งมั่นอยู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วตามบรรดักดิ์ระดับไหนก็ตามคานิกราบอุปจาระปนาลุจารจิตกแ็แช่ชื่นเบิกบานด้วยความมีสติและอาจจะและเมื่อมีความชมานาญมากเข้ามาเข้าก็จะเกิดปัญญารู้เห็น ตามความเป็นจริงในสิ่ ง, งต่างได้พอสมควรกับกำลังของจิตและอาจจะมีสิ่งอื่นๆได้อีกถ้าหากว่าจิตตรงอัปปนาหรือฌานเหล่านี้เป็ น, นต้นตลอจนมีความมั่นใจว่าถ้าจิตของเราระงับกิเลสคือนิวรเกิดตายไปในขณะนี้เราสู่ไปสู่สุขติแน่นอน ไม่มีไปเป็นไม่มีปไมมปทางอื่นต้องมีทางสุขติมนุษ์สมบัติที่ดีสวรรคสมบัติที่ดีอันนี้เป็นส่วนของสมาธิหรือสมถะตอนที่สองอุปสมานุสติ a n a l y z i คุณของพาณิพาน a n a l ึ z ถึงคุณของพ า, พางณพาิพานก็ออกบรรยายไประสองประการคือทำอะไรบ้าง ที่เราใช้ชาติจิตของเราถึงนิพพานได้และเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรทั้งสองประการบุกคนผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงนิพพานนั้นก็ไม่พ้นอริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาชิฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นเห็นอะไร ห้าทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นหมายถึงเห็นอริยสัจสี่เห็นอริยสัจเศเสียให้เห็นอย่างไรอริยสัจสี่ที่เราก็รู้จักว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่กาวรวัชันทันวิโยเห็นทุกข์นั้นเห็นอย่างไร เห็นทุกข์ก็คือความที่เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่ความทุกข์นี้ในอริยสัจ ท, ที่จะเป็นไปเพื่อความปฏิบัติให้หมดจดจากเครื่องสมองเป็นสมาธิและเป็นปัญญาพ้อหมายความหมาย เป็นทุกข์ในที่นี้ก็คือชาติปุขาชราปุขามรณะปุขงเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์ที่ท่านสอนให้รู้เห็นในสิ่งเหล่านี้หรือในอริยสัจนั้นก็เพราะว่าให้รู้ของจริง ทุกนี้เป็นเป็นปงเป็ริญยยาธรรมหรือเป็นปริโยยากิจถอนให้กันหมดรู้ละไม่ได้คือเราละแก่ได้ละแก่ไม่ได้ละเจ็บไม่ได้ละตายไม่ได้แต่ต้องก็หมดรู้คือรู้ทุกก็คือรู้โทษของทุกและโทษเหล่านั้น ให้ผลเจ็บปวดหรือให้ผลดวดร้อนหรือให้ผลวุ่นวายในทางจิตใจประการใดทุกนในที่นี้กล่าวโดยย่อสองสถานคือสภาวะทุก์ในแก่ทุกที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายร่างกายของบุคคลผู้แก่แล้ว ก็ย่อมมีความเฉื่อมโทรมไปหมดความเข้มแข็งหมดความแข็งแรงและมีความอ่อนแอเข้ามาแทรกตลอดจนเมื่อสรีระร่างกายไม่สามารถคุมตนเองได้ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในทางกายความแก่ เป็นเครื่องบันทอนสรีระร่างกายบ่งคนให้อ่อนแอตามแต่สภาพของบุคคลนั้นส่วนไหนเข้มแข็งดีก็ช้าส่วนไหนที่ไม่เข้มแข็งอ่อนแอส่วนนั้นแม้จะแก่ยังไม่มากก็เจ็บและเดือดร้อนด้วยประการต่างๆรวมความว่าความทุกข ที่เห็นความทุกข์ในอริยสัจนี้คือความแก่ความเจ็บความตายตลอดจนต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายมาจากอะไรมาจากชาติทุกข์คือความเกิดนั่นเองความเกิดเป็นต้นเหตุและความแก่ความเจ็บความตายตกอมมาเรียกว่าสภาวะทุกข์ทั้งสี่ด้านสี่ประการนี้ เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมอยู่อย่างนี้ใครเกิดมาแล้วก็ไม่ร่วมพ้นยาภาวะเหล่านี้ไปได้ไม่มีอะไรที่จะกำจัดหรือป้องกันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะทั้งสี่ประการ น, นี้เป็นธรรมชาติของสัตว์ตทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดาหรือปรมมีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วฉะนั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสะรู้แล้วเห็นตามความจริงจึงทรงมีเมตตามหาศาลอันยิ่งแก่สันพษสัตว์เห็นว่าสันพษสัตว์ทั้งหลายนี้ถูกความทุกข์ทั้งสี่ประการนี้เขารอบร้อมอยู่เสมอ ไม่สามารถจะหลบหนีไปชนายได้ที่พรผู้มีพระพาคเจ้าทรงตัดว่าจะหนีขึ้นบนฟ้าก็ไม่พ้นดาด้า น, ดานลงไม่หาสมุดก็ไม่พ้นอยู่ในถ้ำในเขาให้ปิดไว้ไม่คิดอย่างไรก็ไม่พ้นความแก่ความเกียดความตายเพราะฉะนั้นทั้งสี่ประการนี้จึงไม่มีอะไรแก้ไม่มียาแก้ไม่มีฤทธิอำนาจแก่ ไม่มีสิ่งต่างๆแม้ว่าอะไรด้วยอำ น, นาจของพวกพ้องเงินตราหรือฐานะแห่งความเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่มียศฐานรราสุขบรรดาจักสมบูงเพียงใดวีเมฆมนขมังอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกนในข้อนี้ไปได้ จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เป็นแน่แท้คพิงรูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องปริพานแต่ที่ว่าพระองค์เสวงหาทำเครื่องพ้นจากความตายนั้นก็คือหมายความว่าความตายจากภา ร, รีร่างกาชีวิตนี้ไม่มีอะไรหาได้แต่สอน และรู้ทันที่เป็นไปเพื่อให้หมดแก่ความเกิดความตายอีกต่อไปเพราะมารู้จารความจริงว่าความแก่มีเพราะความเกิดความเจ็บก็มีเพราะความเกิดความตายก็มมีความเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายทั้งทั้งสารสี่ประการนี้เป็นปริญญาณกิจ กิติควาากกรู้เจะเล่าส่วนในธรรมจาจากับพาวสวรว่าจากคุงอุตปาธิยานางังอุตปาทิปัญญาอุปการวิชาอุตปาณ ي, อโโ์อโลโอุตปาณิตังโคเป็นดางถูกข้างอริยสัตจต่างปารินโยยายัญญาติเมทธิคเวเป็นนโยยากิจหรือเป็นระเป็นารินยธรรมทุกทั้งหมดควรหดุหดรู้ไม่ใช่ควรละถ้าสา ม, มุทัยต้องละ ท่าทุกต้องกำหนดรู้ให้รู้แล้วก็หนึ่งจะได้ประโยชน์ก็คือว่าเราจะไม่ประมาทในชีวิตรู้ว่าเราจะต้องแก่เจ็บตายแน่ประการที่สองเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเมื่อเราถึงขัง้นความแก่ขึ้นเราก็ไม่เกิดเราก็จะไม่กไม่เกิดความกลัวและไม่เกิดความหวันหว่นไหวประการใดแม้ญาติทวกง้องของเรามีความแก่เกิดขึ้นไม่เหมือนก่อน เราก็ไม่หวั่นไหวหรือมีการตายเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ตามความมัจริงรู้ตามามันจริงก่อนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ถ้าจะพิจารณาในข้อนี้แล้วสมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าท่านลาพึงคนึงคือเรื่องนี้มาก่อน เพราะเหตุไรฉันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ต้นเหตุก็คือว่าตอนที่พระองค์ทรงเรียบเมืองเยี่ยมยาตราชดรแทนพระพุทธแปบบิดาก็พบคนแก่อยู่ในวังเขาไม่เห็นคนแก่ก็าถามนายชนะนั่น อ, อะไรคนอะไรนายชนะว่าตรงคนแก่ดูผิวพรรณสูดโทม ยิงถามว่านายชนะว่าแล้วเราต้องแก่หรือไม่นายชนะก็บอกว่าเราก็ต้องแก่ก็เกิดความสังเวชใจไปโดนเห็นคนเจ็บนอนเจ็บอยู่ข้างทางเพราะคนอินเดียคนชมพูทวีคนขอเข้ามากรักษาไม่ไหวเพราะคนเจ็บร่วมอยู่ข้างทางก็นอนอยู่อย่างนั้นจนกระฟาดตายไปไม่มีใครช่วยเพราะคนที่จะเขามาช่วย เ, เกงว่า ถ้าเขาเป็นคนวรณะสูงเข้าเกรงว่าคนตายคนเจ็บนั่นจะวรณะต่ำไปถูกแตะต้องตัวกันไม่ได้จึงปล่อยไปตามนั่นแม้แต่กลางบ้านกลางเมืองในสมัยปัจจุบันเจ้าของบ้านนั่งอยู่ในบ้านที่หลบความร้อนคนที่เดินอยู่บนถนนในละความร้อนเป็นอันมากสี่สิบปองศาขึ้นไป เป็นคนข้าวคนแก่บาที่ประลมล้มพุ๊บและตายพที่ถนนนั้นคนอยู่ในบ้านมองเห็นแล้วก็แม่มองแล้วไม่ใช่นาชีของขอเป็นหนาชีของเทศบาลมาเก็บศพเหมือนสัตว์ทั้งหลายสุนักแมวตายตัวหนึ่งในป่าเป็นไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครๆก็เลือกไม่ได้ท่านจึงสอนให้รู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะได้ไม่ประมาทในชีวิตของตนเองความดีอันใดที่ยังไม่ทําก็พึงทําความดีอันนั้นให้เกิดขึ้นความดีอันใดทําแล้วยังไม่สมบูรณ์เราก็ทวนทําให้สมบูรณ์ขึ้นหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นเด็กก็ควรรีบศึกษาด้วยความขยันรมานเพียรให้มีความรู้ความฉลาดจะได้ประกอบปิดการงานด้วยความสามารถ าาว่าเป็นผู้คลองเรือนแล้วต้องทำผิดการงา น, งานก็ต้องทําการงานด้วยความเข้มแข็งด้วยความเอาใจใส่ไม่เกียจค้านแม้จะพ่อบ้านแม่บ้านก็ต้องรู้จักใช้จ่ายรู้จักประหยัดให้พอเหมาะ พ, อ ส, พอสมพอสมควแรแก่ความเป็นไปตามฐานะของเราที่เป็นอยู่อย่างไรถ้าหาว่าเราไม่ฉลาดเพียงพอ นึกว่าเอาของเราเน่ไหนเกิดมาต้องตายแล้วมีอะไรใช้ให้หมดมีอะไรกินมาให้หมดเพราะมันจะต้องตายแต่ถ้าหากว่าเรามีทรัพย์มีเสียอยู่ได้มาจากมรดกหรือทำเองก็ดีแล้วกินใช้จ่ายหมดเท่มยังไม่ตายเมื่อยังไม่ตายเกิดเจ็บป่วยขึ้นยังไม่ตายทำอย่างไรทีนี้ก็ต้องทุกข์ยากลาบาก เพราะฉะนั้นถึงรู้ว่าต้องตายก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้รู้ว่าจะต้องตายก็ต้องรู้จักประมาณในความเป็นอยู่จิ่งใดที่ยังไม่รู้ต้องศึกษาให้รู้จิ่งใดที่ยังไม่ทำต้องศึกษาถ้าเรื่องการทาให้รู้ด้วยความเมตมาเพราะการทำจิตต่างๆที่เป็นกุศลที่เป็นความดีนั้นเป็นบุญเป็นความดีในจิตนั้นเราทาแล้วหรือยัง ชีวิตที่เกิดประวมาแล้วนี้เราพอเป็นทานแลว้วหรือยังศีลแลว้วหรือยังภาวนาแลว้วหรือยังเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญให้นำพาดวงวิญญาณ ข, าของเราไปสู่สุคติถ้าไมา่ข้ามภพขําชาติปกติในมนุษย์ด้วยกันก็อยู่ในภาวะที่สูงกว่าเดิมคือเกิดขึ้นในครอบครัวที่เป็นกัจจบรุษ อเกิดในครอบครัวที่มีกำลัมงมีความสามารถที่เราจะศึกษาเล่าเรียนและมีความเป็นอยู่และเป็นคนดีเป็นคนมีความชื่อสัจจวัตจริตมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดอยู่ในตระกูลดีความพุ่นวายอย่างๆก็ไม่มีเกิดอยู่ในตระกูลมีทรัพย์สินที่บริสุทธิ์ก็จะไม่ต้องเดือดร้อนด้วยประการาต่างๆ เกิดขึ้นในตระกูลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเชื้อสายร่างกายของเราก็แข็งแรงเกิดขึ้นในตระกูลที่มีพ่อแม่รญาติพร้อๆเป็นพวกมีปัญญาเป็นนักปราบบัณฑิตก็จะทําให้เราเฉลียวฉลาดเพราะได้เห็นพื้นในความเป็นไปเหล่านั้นเหล่านี้เป็นต้นนียกว่ามีความเป็นไปที่ดีเป็นมันเป็นได้โอกาสที่จะเป็นมนุษย์ที่ประสบสุขได้ด้วยเป็นอย่างดี พรเรื่องขพรบุญต่างๆส่งเสริมไปตามภาวะแต่กําลังนั้นๆเพราะฉะนั้นผู้ที่บําเพ็ญคุณงามความดีจึงชื่อว่ามีบุญและเมื่อมีบุญตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือยังไม่ตายแต่อยู่ในชาตินี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเปลี่ยนที่อยู่ไปไปอยู่จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นเราก็จะมีบุญ ไปเจอในกลุ่มคนดีไม่เปไปอยู่ในคนคนพาลหรือไปอยู่ไปอยู่คนพาลไปเจอคนพาลคิจะทำร้ายเพราพอดีคนดีผ่านมาช่วยช่วยไว้เรียกว่าด้วยอำนาจของบุญเพราะอำนาจของบุญนั้นเป็นเรื่องพิเศษเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะเชื่อแต่ก็เกิดมีขึ้นโดยทั่ ว, วไปแก่บุคคลผู้ทำบุญแล้วมีบุญไว้แล้ว หรืออีกประการหนึ่งถึงไม่ถึงมีบุญแล้วแตไม่มีใครช่วยถึงต้องตายกระจิตก็ไม่เฝ้ามองพอตายจากนี้ก็ขึ้นไปสู่สุคติสวรรค์ชั้นสูงขึ้นก็ได้ความความทุกมากขึ้นด้วยอนนั่งพ้นจากควาที่เป็นมนุษย์มีทุกข์มากความที่อยู่ในสวรรค์มีทุกข์น้อยขึ้นวนเวียนอยู่อย่างนี้ในอนนั่งของบุญของความดี ที่ได้กระทำไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความรู้จึกว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้กลับเป็นผลดีถ้ารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักพิจารณากายของเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้กลับเป็นวิปัสสนาถ้ามีสมาธิอยู่ก่อนแล้วว่าเป็นวิปัสสนา ทำไมร่างกายของเราจึงต้องแก่จงจิจ ต, ต้องตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้านำมาสอนนั้นใครบอกกับพระองค์หรือสอนพระองค์ไม่มีใครบอกด้วยพระกิปัญญาของพระองค์เองและบุญบารามีแต่ในปางก่อนที่สั่งสมนไว้เพราะฉะนั้นในธรรมาจากกระบอกสุตรจึงมีคาว่าปุเพสุอนุสตสิุพระองค์ไม่เคยได้อนันนุสติสุ คือไม่เคยได้ยินหรฟังของใครเลยที่เหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยปัญญาของพระองค์เท่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังของใครทั้งทุกขสัจตรสมุทัยสัจนิโรธสัจและ <c oughs> ภาวนาสัจทั้งสี่ข้อของอริยสัจนั้นไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากอาจารย์คนไหนในโลกนี้นี่คือบารมี ในปางก่อนพระองค์ที่บำเพ็ญเพียรมาในความเป็นพระโพธิาณดังนี้เราทั้งหลายรู้รรกันแล้วว่าทึ่งสี่อาสองไขกับแสนมหากัปทาบุญทากุศลมากขนาดนั้นจึงควรได้รับผลวิเศษเหนือความเป็นใหญ่ของบุคคลทั้งปวงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทาไปกว่านั้นก็ได้นิพพานก็ได้ก็ได้ความดีก็ได้แต่ ยังต่ำกว่าผู้ที่บาเพ็ญได้มากๆผู้ที่บาเพ็ญได้มากกว่าความดีนี่มากกว่าก็ยอมประเถิิดกว่าเหมือนผู้เราเรียนศึกษาคนไหนศึกษาจบสูงกว่าคนนั้นก็มีความเลิศกว่าดีกว่าประเถิิดกว่าจะทำติจการงานอันใดก็เป็นตหัวหน้าเราเป็นนายเขาไม่ต้องถูกเข้าสั่ง เพราะเป็นหัวหน้าเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น <c oughs> นามาถึงธรรมมาธรรมานุสติที่เรานึกถึงนิพพานทำให้จิตใจของเราถ้าเรามีศรัทธาทำให้จิตใจของเราพอใจในเรื่องนิพพานในเรื่องคุณของนิพพานในเรื่องฐานะของนิพพานคำว่านิพพาน แปลของตัวความดัดที่จริงคำว่านิพานนี้เป็นคำใช้ของชาวบ้านทั่วๆไปเห็นว่าไฟ ป, ปาลุกขึ้นกล้ายบ้านช่วยกันนิพานเร็วคือหมายความช่วยกันดับไว้ที่ติดอยู่เมื่อเราจะออกจากบ้านนิพานไยก่อน เพื่อดับไฟดับไฟจะก่อนให้ไม่ให้มันเป็นเชื้อสาที่จะเกิดไฟไหม่บ้านได้เพราะฉะนั้นคำว่านิพพา น, นี้เดินทีเขาใช้เป็นคำเรียกของติ่งทั่วไปคือความดับแต่ไม่ใช่ความตายเป็นความดับอิ่งใดที่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไหนก็ดับดับไปเห็นมีไฟเกิดขึ้นก็ดับด้วยน้ำ ดันน้ำมามาลาดไฟและไฟก็ดับ ไ, กไฟก็นิ่านไฟกาลังรุกใช้น้ำลาดไปน้ำก็นิพานคือน้ำก็ดับเฟราะอะไฟก็ดับเพราะถูกน้ำนี่ไฟก็นิพานไปคือดับไปคําว่านิพานนี้จึงมีคาใช้เมืก่อนแต่ไม่มีใครถึงไม่มีใครบาเพนจิตของตนเองถึงดับกิเลส ดับกิเลสดับราคะดับโทสะดับโมหะดับอวิชชาจันหาอุปาทานอนุสัยสัญญอมันเป็นกิเลสส่วนละเอียดตลอดจนอุปาทานต่างๆที่เรายึดมั่นเึงมั่นทุกคนเกิดมาแล้วยังไม่รู้อะไรจะมีความยินมั่นว่าขอให้เรามีอายุยืนนานร่างกายแข็งแรงเกิดมีรูปร่าง ส, สวย ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีความร่ำรวยนั่นมีความถูกสําราญในกาลนานาประการใครๆก็อยากได้แความอยากได้อย่างนั้นด้วยความไม่คิดและความอ้อนวอนนั้นจะไม่พบมีผลอะไรกับผู้ที่อ่อนวอนนั้นเพียงแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ใช้การอ้อนวอนเป็นที่พึ่งก็เพียงอุ่นใจขึ้นบ้าง ว่าเราเนะื้ออ่อนวอวแลว้ขอแล้วต่อเทพ ย, ายดาหรือพระคมอย่างอื่นอย่างใดก็ตามแต่ว่าคนนั้นจะไม่มีใครจะรับตามตัวหมายคนที่จะรับตามตัวหมายฐานยะยากจนมันมันม่งรูปมัม่งมีขึ้นเพราะเขาขยันเขาประหยัด ร, รู้ฝามเป็นไปในเรื่องของ ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีที่อยู่ไม่มีเงินใช้เหล่านี้เป็นต้นเขาจึงขยันอาเพื่อต่างน้ำวิริยะทำขยันแล้วได้มีผลเป็นหลักฐานได้ขึ้นนั้นไม่ใช่ใครมาบันดาลความขยันของเราเองบันดาลขึ้นให้เกิดขึ้นสมัยก่อนที่ยังไม่มีพระพุทธองค์อุบัติขึ้น เขาผู้ใดที่อยากจะมีความสุขเมือายุยิ่งยืนนานไม่มีภัยให้ทำพิธีการอ้อนวอนบวงสวงเทพยาบ้างพระผมบ้างอื่นๆบ้างดังที่ในเขมาถูดว่าเมื่อบุคคลมีทุกข์แ้เดือดร้อนขึ้น ย่อมข้อพึ่งอาศัยให้ต้นไม้ช่วยให้ภูเขาช่วยให้รรมช่วยให้เจดีคือที่เขาทำไว้เป็นที่ระลึกช่วยแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเนตังโคตรนังเขมังเนตังธรมุตมังจึ่งนั่นช่วยอะไรไม่ได้เลย ก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราเจ็บป่วยไข้เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งมันโตใหญ่ดีเหลือเกินแปลกประหาดดีก็อ้อนวอนกับก้อนหินพูดกับก้อนหินว่าขอให้ก้อนหินช่วยเอาหายไข้หายป่วยหายเจ็บหาไข้มันก็ไม่สามารถจะหายได้เพราะความหายจะต้องได้รับการดูแลพยาบาลความมั่งมีจะต้องได้รับการขยันขันแข็งและฉลาดารุษจากชายจึงจะมี ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุเกิดขึ้นจึงมีผลเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ผลก็มีทรัพย์สินเกิดขึ้นตามมาถ้าหาว่ากลียดค้านเป็นเหตุผลตามมาคือตกทุกข์ได้ยากอดปดอยากอยา ก, ยากเหล่านี้เป็นตน้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแต่เหตุ คำวมนิพานของทางสัมมาสัมมาธรรมุจ้านี้หมายความมาดับกิเลสดับราคะดับได้แล้วไม่มีอีกแล้วขาดไปเลยดับโทสะพยาบาทดับได้แล้วไม่มีอีกแล้วขาดไปเลยดับโมหะหรืออวิชชาดับไปแล้วขาดไปเลยไม่มีเลยคือหมายความว่าดับโมหะดับอวิชชาอวิชชาหมายความเขาดับหายไป วิชาเกิดขึ้นคือความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นนี่ว่าวันที่พระองค์จะจัตตารู้ฟันวุฒิรสมมาทำโพธิญาณปุเพนิวาสานวิจติญาณญาคือวิชาคือความรู้เกิดขึ้นเราก็รู้ตัวเองว่าเรานี่เกิดมาหลายชาติแล้วชาติก่อนนี้เป็นอย่างนั้นชาวน้นเป็นอย่างนี้ชาติ น, นี้เป็นอย่างนั้นชาติไหนบัพเพนบุญได้มากชาติไหนบัพเพนบุญได้น้อย ทาไนทำบามาถ้าไหนทำน้อยก็รู้ในความเป็นไปของตนเองนี่เรียกว่าบุญในปางก่อนที่เข้ามาอันวยทุกประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วตัดที่เหลสได้แล้วจึงมียานอย่างรู้คือวิชาสวยขึ้นว่า จากคงอุตปาทิยานังจากขุดวงตาเห็นธรรมอุตปาท่ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นอุตปาท่วิชาความรู้ความสามารถเป็นวิชาเกิดขึ้นอุตปาท่อาโรโครความสว่างของจิตเกิดขึ้นใน ม, มัวมของจิตของใสอุตปาีิคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากขู่เกิดขึ้นยานเกิดขึ้น ปัญญาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงรู้ตามฟา้าเป็นจริงและรู้ตามฟา้าเป็นจริงนี้ฟ้าจะรู้ตามว่าจริงจะประกอบประกอบ ด, ด้วยยานสามอิกปการหนึ่งคือจัตเจายนรู้จกักจัตยจียนว่าจิตของเราพ้นจากกิเดสชนิดแป่นี้แล้ว ตัศญานกำหนดรู้กำหนดรู้ทุกกิจจัยานทำให้เกิดความปัญญาในเรื่องการรู้ทุกข์และปะัญญาถึงที่สุดล้เป็นกัจจายานพระเบดตในการรู้ทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วทวนชั่งมูไทยที่เป็นเหตุให้เกิดตัญหาเพราะว่าสุโมชยัยก็จะมีตัจญานรู้ว่าการมาปัญหานี้ เป็นเรื่องอยากพายเป็นทุกข์ภาวะตันหาด้วยความอยากนั้นเป็นเหตุให้เกิดความโรคโมโทสันวิภาวะจันหาเป็นเหตุให้เกิดความขาวด้วยประการต่างๆไม่รู้ตามความเปม็นความจริงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต า, ามจันหาต้องละเถียรเรียกว่าปหานะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดในบทธรรมจากในข้อสมุทยัย จะคงอุตปาทิยานังอุตปาณิปัญญาอุปปาวิชาวปาที่อาโลโคอุตปาณนี้ต่างโคนะปนักปัญญาลุกข้างมุริยธรระธรรมังปหานธรรมังข้อแรกทุกเป็นปริเรยธรรมังนี่เป็นป ร, ริห้าธรรมังคือหมายว่าปหาณธรรมังควรละเสียควรทำลายเสียควรทำลายให้หมดไปอย่าเอาไว้อย่าให้เหลือ ในเรื่องของปัญหาทั้งสามปการนี้ท้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดให้หมดไปในน้องหนึ่งอุปมาเหมือนน้อ ง, งน้ำแห่งหนึ่งมีแต่จอกแนนแหนเต็มหน้าน้ำถ้าเราอะไรโยนไปตูมลงน้ากว่าเพลองจอกและแหน มันก็กระจายออกไปแล้วก็เห็นน้ำมองน้ำในลึกอีกไม่นานมันก็ค่อยๆ ค, ค่อยมาปิดตามเดิมอีกนี่ในายายว่ายังเป็นกุปประธรรมคือยังํำเริบได้ต้องประหานะให้หมดไปเลยอย่าให้เหลือเมื่อการรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ตามประหารคือปแล้วหยอดร้อน เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะการตัณหาเหล่านี้ทำให้เกิดเพราะเมื่อเกิดเขาต้องมีแก่ใจจงเดือดร้อนจึงประหารให้หมดยาให้เหลือทำลายให้หมดยาให้เหลือข้อนี้ไม่ ม, ม, มีใครสอนพระองค์พระองค์จะจะรู้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองเมื่อประหารเช่นนี้หมดไปแล้วก็เหมือนกับหนองน้า ที่ช้อนเอาตัดเอาทําลายเอาจอกประแหนนั้นขึ้นทิ้งให้หมดแม่เรือลอไว้แม้ลากขอาเล็เกแต่น้อยใบหน้ยของหน่อต้นจอกแหนก็เอาออกให้หมดน้ําก็ใสไม่มีอะไรมาปิดอีกแล้วจิตของบุคคลที่ปหานะทําลายราคะโทสะโมหะหรือทำลายการมตันหาภาวะตันหาวิภวะจันหาหมดแล้วก็ฟ่องใส เิที่จะฟองสายได้นั้นก็คือเพราะนิโรธเราได้ปฏิบัติที่ก็เช่นเดียวกันจากผุ้อุตปาทิยานางังอุตปาทิปัญญาอปาทิวิช า, าออวุปาจโรโคปานิต่างโควินงังทุกข้ังอริยสัจังนิโรธคือความดับ นิโรธนีค้ ค, คือความดับกิเลสเหล่าน no ี้หมดเส้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงก้อาศัยตัตเจยานรู้ว่านิโรดนี้เป็นเครื่องดับทุกข์พอรู้ว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ก็รีบบำเพ็ญดับทุกข์นั้นให้หมดเส้นไปเรียกว่ากิจจยานและเมื่อทุกข์ดับหมดไปแล้ว วาเป็นกัจจายนเพราะฉะนั้นอริยสัจแส่ข้อข้อมีสามยานตรงข้อประกบข้อประกอบกัจากากททจยายนกิจจายนกัจจายนทุกขโมทัยกัจจายนกิจจายนกัจจายนนรโรสในฝ่ายเจริญรกัจจายนกิจจายนกัจจายนเหมือนกันตลอดจนข้อมรรคเพราะทุกข์ เพราะนิโรดนั้นเป็นสัจจการณะคือการทำให้แจ้งกการทำให้แจ้งก็มือความว่าให้รู้ตามความเป็นจริงจะได้ไม่เสียดงเสียดายในอารมณ์เหล่านั้นที่เคยน่าไข้หน้าพอใจของการมาตัณหาก็หาทางตัดณหาเยดีย่ยอริยมรรคในข้อสี่ อรมากข้อสีนี้ก็มีกัตเจยนกิจจยยนในกัจเจยนแต่ในข้อสี่นี้เป็นภาเวตาพระธรรมคือทำควรเอาอบรมให้เกิดมีขึ้นเหมือนการจักคุ้งอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาปาทิวิชาอุปาทิอาโลโคุปานิต่างโ้เป็นนางดุขสุมดุข จังโคปยิดังดุขภาเวตับพังติวันติเวทิขเวภาเ ว, าเวต บ, บันติเมภิขเวคือหมายความว่าควรอภาเวคือภาวน า, าวคาวรอบรมกิตของตนเองให้หมดจดจากตามตัญหาจากภาวะตัญหาจากวิภวะตัญหารวมความว่าฝ่ายทุกขมีสองข้อ คือทุกข์กับสมุทยัยราบดับปาบส่วนดัดงก็มีสองข้อคือนิโรธกับมรนิโรธควรทำให้แจ้งสัจจิกรณะมรควรอบรมให้เกิดขึ้นเป็นภาวนาส่วนทุกข์เป็นเป็ น, ป, นปริยยทรยมควรละหดรู้สมุทัยเป็นประหานะควรละเสียถ้าหากว่ามารวมมาสีข้อ จับเหตุกับจับผลสมุทัยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลฝ่ายดีคือมรรคเป็นเหตุนี่รอดเป็นผลแห่งการดับทุกข์และก็มารวมกันก็หมายว่าสมุทัยกับมรรคเป็นฝ่ายเหตุสมุทัยเป็นเหตุแห่งความชั่วมรรคเป็นเหตุแห่งความดี และทุกเป็นผลของสมุทรไทยก็คือความชั่วเดือดร้อนเรื่องราวน่าจ่แต่ข้อยังยินดีเรื่ อ, อ ง, ง, อ ง, งอทุกบางอย่างที่เห็นว่าพึงพอใจแต่ส่วนนิโรธเป็นผลของมรรคในข้อนี้ควรทำให้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วก็สิ้นความสงสัยเมื่ออยู่ยังไม่สวางมีตาอยู่ก็มองไม่เห็น เพียงแค่มีอะไรส่งก็ได้เฉพาะแต่พอสว่างแล้วก็เห็นหมดบ้านช่องบ้านเรือนต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นแต่มือดอยู่ก็เห็นอย่างหนึ่งคือเห็นดวงดาวต่างๆหรือเห็นเมฆหมอกต่างๆแต่ก็เห็นแล้วเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ไม่สว่างพอต่อเมื่อพระคิดขึ้นเห็นสว่างแล้วดูตามความจริงจังแจ่มแจ้ง นี่คือเป็นอาเรียมกักอาเรียผลเพราะฉะนั้นนิพพานต้องเกิดขึ้นจากอริยสติจ้องต้องบริบูรณ์ด้วยอยทิสีข้างฝ่ายดีทำลายฝ่ายชั่วให้หมดไปเพราะเมื่อตัณหาหมดขึ้นตามาทะวะว่าหมดไปเมื่อ ทำลายภาวะจันหาภาวาสะสวะก็หมดไปและเมื่อทำลายวิภาวะจันหาอาวิชชาสะวะก็หมดไปอวิชชาสะวะอาสะวาแปลว่าสะสมไว้กามาสะวะก็หมายความสะสมเรื่องกามไว้พอใจในกามไว้ภา ว, าะวะสวก็หมายความสะสมเรื่องความอยากใหญ่ ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มมัรูจักเต็มก็ต้องอาศัยในธรรมที่ตรงกันข้ามทั้งสามประการจึงตัดการมาสะวะภาวาสะสวะอวิชชาสะวะเรียกง่ายๆว่าอาชวะเหล่านี้กิเลกก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดนี้ ทำลายราคะโภสะโมหะหมดไปและมรรคทำลายหมดไปนี้ทำมาแล้วสิ่งเหล่านั้นขาดศูนย์ตายศูนย์หมดศูนย์ศูนย์สิ้นไม่มีกลับมาเกิดมันมีกลับให้รู้อีกเกยขึ้นกับบุคคลใดความแห้งไปจะไหลไปถูนไปาราคะของบุคคลหมดไปเกยขึ้น บุคคลใดเคยมีโทสะมีความโกรธมีอุบมีอุปหนะมีปจิคะมีพยาบาทสิ่งเหล่านั้นขาดไปสูญไปหายไปหมดไปถ้าหากว่าอารียมกักเกิดขึ้นกับบุคคลใดโมหะความรุ่งโ ง, งมบัวเ ม, วมวาหลางงานเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไปหมดไปสิ้นไปราคะขาดแล้วขาดสูญไปโทสะหมดแล้วหมดสูญไป โมหะขาดแสค ว, วามหมดฟูนไปของพระอริยะผู้ตัดขาหล่านี้เรียกว่าเป็นออุปธรรมทมที่ไม่กาเลิบอีกแล้วแตของผู้ดิชนละได้ละได้ธรรมดาทั่วไปละได้วันนี้เดี๋ยวว่าโกรธอีกหรือวันนี้ไม่โกรธแล้วพวกนี้ก็โกรธอีกเหล่านี้เป็นต้นวันนี้พอแล้วเพื่อเมพอใจ หายโกรธหายพึงพอใจเแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พึงพอใจอีกนี่หมายความว่ายังหายไม่นสนิทเหมือนกับโกกรคเลือดตาหายแล้วฉีดยาหรือให้ทานยาวันนี้แล้วพรุ่งนี้พอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีกแต่การหายไปสูญไปของราคะโทสะโมหะของอารียจัตสนี้ขาดสูญไปจากสิ้น ขาดศูนย์ไปขิ้นตามหลักของอริยมรรคทั้งอริยมรรคทั้งแปดประการคือสามมาชิติพัามมาสังคปะปามเห็นชอบและดำมิชอบอันนี้เป็นตัวปัญญาทำให้รู้ธีการทำลายล้างขานกิเลสต่างๆทั้งหยาบกลางและละเอียดให้หมดไปสามมาวายวาจาสามมากรรมตะรรมมาอาชีวะเป็นศีลชัระตายวาจาและใจของตนในเบื้องต้น ให้สะอาดให้หมดจดให้ถูญสิ้นไปกิเลสย่างหยาบของศีลดับหมดสิ้นไปสัมมาวายามะเพียงชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาชิตตั้งใจไว้ชอบเป็นพลางของจิตที่ตั้งมั่นทําลายล้างกิเลสในส่วนกลางคือนิวรังห้าเรียกว่าปริยุทธานกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิต เพราะฉะนั้นเมื่อกรีฏยาทางกายวาจาหมดไปด้วยศีลเมื่อกิเลสอย่างกาหมดไปด้วยสมาธิทั้งสองอย่างแล้วเหลือแต่ละเอียดลึกซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสมาชิติและสมาคปะรู้ตามควา ม, มาจริงว่ากริเลส ก, กิเลชนิดหนึ่งยังนอนนิ่งอยู่ในสันดาลเรียกว่าอดุสใส เป็นกิเลที่ละเอียดยังไม่มีเหตุก็ไม่ผุดขึ้นมาต่อเมื่อมีเหตุก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับว่าคนพูดกันดีๆคุยกันดีๆเกิดขัดใจกันขึ้นถ้าเกิดเถียงกันเอตโลจะต่างๆนานาประการพอเหตุเกิดขึ้นนี้พูดขัดใจกันขึ้นกิเลที่นอนเนื่องนี้ขึ้นมาทันที กายเป็นเรื่องโกรธเรื่องอาฆาตเรื่องไม่พอใจเคยรักเคยนับถือเป็นเพื่อนกันมานานในช่วงระยะนั้นก็ขาดเรื่องเหล่านี้ไปหรือแต่ความโกรธแค้นนี่กิเลสเป้นเหล่านี้เขาเรียกว่าอนุสัยนอนอยู่ในสันดานหรือเหมือนกองขยะยังไม่มีใครจุดไฟแล้วก็เข้าไปนั่งกไกลๆกองขยะก็ได้แต่เมื่อมีไฟลุอขึ้นแล้ว เราก็นั่งไม่ได้มันจะเผาผ่านอีปรการหนึ่งกิเลสละเอียดนี้เปรียบเหมือนเลขศูนย์ที่เรามองว่าไม่มีค่าแต่ถึงมันศูนย์เมื่อมีอะไรมาเป็นค่าให้มันมันก็ผุดเกิดขึ้นทันทีทันใดเช่นเลขหนึ่งไม่อยู่หน้ามันมันเป็นสิบเลขสองเป็นยี่สิบ ต่าเลขเหล่านี้หลายๆตัวมันจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นที่เดชยังไม่หมดแต่มังเป็นศูนย์อยู่เหมือนกับมะเร็งในส ม, มัยปัจจุบันนี้มันเป็น น, น้อยๆมันยังไม่แสดงอาการอะไรเหมือนเราสบายไม่มีโรคแต่พอมันแก่ก็้าขึ้นพอมันแสดงฤทธิ์ออกมาเราเอามันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเลขศูนย์ ตัวนี้จึงไม่ใช่ว่ามันไม่มีคุณค่าแต่มันยังเมื่อไปรักเลขตัวอื่นนำหน้าแต่หนึ่งสองสาีห้าหกเจ็ดแเก้าอยู่หน้ามันเท่าไหร่ยิ่งเลขเหล่านน้หลายๆตัวขึ้นมันก็ทวีมากขึ้นทันทีทันใดในขณะนั้นฉันใดที่เลชก็เหมือนกันผูกย่อยวนราคะก็เกิด ถูกกระทบกระทั่งให้มากมา ก, มากโพสสะก็เกิดร่อรวงลุ่มหลวงมัวเมาก็ เ, าเกิดที่เป็นเช่นนี้ทำไมคนต้องถูกข้อรวงถูกข้อหลอกอเพราะกิเดตในส่วนลึกนี้ยังมีอยู่จึงเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อด้วยประการต่างๆจึงรวมความว่า ในมรรคขั้งแปดนี้ต้องมีกําลังเท่ากันทุกตัวสามาทิติมีกําลังสามาทังคปะก็มีกําลังสามาวาจาก็มีกําลังสา ม, มาวาจาสามากามันตะก็มีกําลังสามาอาชีวะก็มีกําลังสามาวายามะเพียชชอบก็มีกําลังสามาสติอริชชอบก็มีกําลัง สัมมาสมาธิก็มีกำลังและทัองแปดกำลังนี้รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายนามัคเอกายนามัคหรือมัคทั้งแปดทั้งแปดข้อนี้รวมกันเป็นหนึ่งกำลังเท่ากันแล้วกิเลสมีเท่าไรก็ทุ่งแรงหมดไม่ว่ายางหยาบยางต้านยางละเอียดเกิดสะสมมามาแล้วเนีปางก่อนเป็นกลับเป็นกันกี่ร้อยกี่พันชาติมาเกิดมาแล้วชาตินี้ก็มีอริยมัคทั้งแปดเกิดมีขึ้นพร้อมด้วยเป็นเอกสมังคี กิเลสเรานั้นก็อยู่ไม่ได้สลายปูนสิ้นไปเพราะอริยมรรคเพราะฉะนั้นพระองค์ตึงตรงจัดว่าที่มีคนถามว่าพวกพรมาบางพวกก็เป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่พระองค์เคยตอบเคยบอกแล้วบอกอีกพวกใี่มาถามมีพระองค์ก็บอกว่าถ้าศาสนาใดมีสองสอนอริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติในอริยมรรคองค์แปดศาสนานั้น จะมีสำนักที่หนึ่งสองสามสี่คือพระโสดาบันจักะทาชามีอนาคามีและอรหันต์ถ้าศาสนาไดไม่มีอริยมรรคไม่มีอริยบุคคลทั้งสีน่นี้เพราะฉะนั้นก็เป็นจริงไปจากนั้นก่อนโลกที่พระองค์จะตัสรูปไม่มีพระอริยะเลยมีแต่พระอริยพรหิอวดอ า, อาเองและหลังจากนั้นจากนั้นเป็นส่วนมาถ้าผู้ที่ไม่เรียนทำคืออริยมรรค จะไม่มีใครบรรลุได้เองถ้าคนเดียวไม่มีแม้กระทางบัดนี้แม้จะว่ามีคำสอนและยังปฏิบัติไม่ถึงยังยากที่จะถึงความพ้นจากกิเลสเหล่านั้นได้เลยเัง่านี้เป็นตนเพราะฉะนั้น <c oughs> อริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นทางให้ถึงนิพพานเมื่อตัดกิเลสได้ขาดเป็นนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าสอุ ป, ปาชิเเสนนิพพานนิพพาน กิเลส ต, ตายแล้วแต่ชีวิตคนยังไม่ตายกิเลสหมดไปแล้วแต่ชีวิตคนยังไม่หมดชีวิตคนไม่หมดพระอรหันต์ทำงานเพื่อประโยชน์จุดเดียวกับพัะสมเด็จพระสา ม, ม า, า, ากับพุทธเจ้าพระพุทธองค์วันแรกที่ท่านางพิมพาประสูติพระโอรสคือลาหุนพระมหาบุรุษในตอนขั้น พอรู้ว่าตนเองมีลูกคนแล้วจึงบ่นลำพึงลำพันว่าราหุลังชาตังาหุลังชาตังบ่วงระห่วงเกิดขึ้นแล้วจึงเชื่อรู้ว่าลาหุนเป็นห่วงคือห่วงแก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเลี้ยงดูแต่ด้วยพระไัยของพระองค์ที่ได้ เด็ดปะพาสเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายาะเกิดความเศร้าโศกน่าเกิดความทางเวทใจคิดหาคนทางเพื่อจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจึงเห็นสมณะปฏิบัติอยู่ในป่านึกว่าเป็นกษัตริย์ก็ดีเป็นผู้มีอำนาจก็ดีเป็นผู้เศรษฐีก็ดีอไอก็ดีไม่สามารถทำลายกิเลสได้ ไปเห็นสมนะและแปลกใจดูองค์เดียวไม่ต้องมีห่วงผูกพันสำนะนี่เองคงจะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์ทางปวงได้ให้พ้นจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นจึงมีความมั่นหมายว่าจะต้องมีทางพ้นจากทุกเป็นแน่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีมืดและมีสว่างมีบุญมีบาป ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่กันมีหัวเลาะมีเลาะหาย้ยหรือมีขมมีหวานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีทำที่เป็นแก้เครื่องแก่การแก่การเจ็บการตายแต่การที่จะเคลื่องแก้การแก่การแก่เจ็บตายอยู่ในภาวะแห่งการคลอเรือนนี้ไม่ได้เพราะการคลอเรือนนี้มีความวุ่นวายมากมีความลหลงไหลมาก ต่างๆ น, นานาประการเพราะฉะนั้นต้องออกบวชวันนั้นพระนางพิมพาประสุตรพระโอรสพระองค์ทราบแล้วจึงนึกว่านี่ห่วงเกิดขึ้นเราจึงเรียกพระโอรสว่าราหลุลกลางอนข้ามพื้นนัดกรนนฉันนะผู้ขับขี่ม้ากันตะกะแต่นายหนึ่ง ตอนหนีออกจากเมือง น, นั้นกล่าวว่าพระองค์เองเป็นผู้ขี่ม้าคันธกะแต่นายฉันนะขีม่ม้าควบคุมดูแลไปอีกตัวหนึ่งในบางแห่งเขากล่าวว่าอย่างนั้นแต่ในทั่วไปแล้วการเขียนภาพว่านายฉันนะเป็นผู้ขับขี่ม้าคันธกะพร้อมด้วยพระองค์นั่งขับตอนท้ายไปนำไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา แต่ก่อนที่พระองค์จะออกไปพระราชวาังนั้นก็เข้าไม้หวังที่บรนทรมของพระ น, นามพิมพ์พาและพระราชโอรสมองแล้วมองอีกบางทีก็ใจหายใจฟว่งว่าเราจะต้องจากพระ น, นางไปและลูกน้อยของเราไปแต่เมื่อเล็กว่าเราไปเพื่อให้ค้นหาวิชาความรู้ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บกวามตาย ้าได้วิชานั้นมาถึงแม้เราจะจากบ้านเมืองจากลูกจากครอบครัวไปก็คุ้มเป็นสิ่งที่ประเสริฐและยังเป็นประโยชน์กับประชาชนอีกเป็นอ น, นมากเมื่อได้ขึ้นมาตอนนี้แล้วว่าใจแข็งนายสุรก้มลงมเอาฝาพระหัตแตะหน้าผาขอพนามพินพาแล้วว่าพูดในใจว่าลาก่อ น, นะนาขอจากไป โดยไม่ใช่ว่าเกลียดชังแต่เพื่อไปแสวงหาโพธิญาณเมื่อบรรลุเมื่อไรแล้วฉะนั้นสิ่งนั้นมาฝากและปฏิบัติเพื่อความพทุกข์ไม่ให้อยู่อย่างนี้หันไปมองพระโอรสยังไรเยียนสาไม่รู้อะไรเลยหน้าสงสารอย่างยิ่งสะท้อนใจมากแต่ก็เอามือรูป สรีระร่างกายของโอรสแ้วก็บอกลูกน้อยอยู่ก่อนนะพ่อไปก่อนเพื่อไปแสวงหาความรู้มาช่วยลูกต่อไปยันหน้าตัดจินงใจเด็กขาดว่ลูกออกจากพระราชวังนายันนะคอยอยู่ก็ขึ้นมาคันตะกะพอจะออกจากประตูเมืองนั้นได้เรื่องทันทีมาอ่นข้าหวางเท้าว่าจะ วจารวดีพระนีบบ่วจารวตีพพปารทาว์ครับปะเณ น, นมิตรวสวัสดีซึ่งเคยเป็นคู่ปรับกันมาก่อนในชาติก่อนออกมาฝา่างทันทีว่าพระหมหาพุรุษอย่าไปเลยอีกท่านร้ออีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านจะได้รัตนะคือได้ตำแหน่งพระเจ้าจาักรพรรดิราช เป็นอำ น, นาจที่สูงใหญ่เป็นผู้ที่เปิดเสรีสุดในโลกอย่าไปเลยพระมหาบุตรวเก่าวกับมารว่าสิ่งที่จะเป็นใหญ่เป็นพระราชาก็าดีเป็นมหาเศรษฐีไม่มีใครสู้ได้ก็ดีสิ่งนั้นเราไม่ต้องการเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย อย่างช่วยความแก่ความเจียดปามตายแก่เราไม่ได้เราขอทางท่านพองรีบไปและพระองค์ก็ขับมา้ผาผ่านนั้นออกไปออกออกไปจากนอกพระราชวังและไปในระหว่างทางก็ระมึกถึงพระนางพิมพาและโอรถขณะนึ่น จิตใจก็น้อมน้ามาเพื่อสงสารแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเราไปเพื่อดีเพื่อจะมีของฝันมา่าหูกและครอบครัวอย่างประเสริฐก็มีกำลังถึงที่สุดไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอนโนมากัตย์ก็ตามชาวบ้านามมาอาจารย์นักปีรพราหมณ์ก็ไว้ผมยาว จักผมขมวดกันแล้วชอบไปขั น, ต, น, นตัดผมให้สั้นทันทีการตัดผมให้สันทันทีนี้ก็หมายความว่ า, าเราไม่มีอะไรผูกพันเรื่องาศาสนาอย่างหนึ่งเราไม่มีเราไม่ต้องเป็นมีผมเหมือนพวกพรามและไม่ต้องยุ่งยากคอยดูแลระวังรักษา ตัดมันจะเลยโกนมันกันเลยอีกประการหนึ่งพวกพรามพวกกระส่าก็คือว่าคนไหนโกนหัวคนนั้นคือคนอภปิจันไรอ่ากอดีแล้วเราตัดให้หมดโกนให้หมดเขาจะได้เวลาว่าเราเป็นอภปิจันไรเขาจะไม่ต้องม่ติดตามมีผลประโยชน์ในการตัดผมของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ไปศึกษาในะอาดานดุทกราบทได้เรื่อยๆไป เป็นเวลา6ปีเจึงได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยาในวันเพ็ญเดือน6ประทับพักที่ต่างๆอีก7แห่งละ7วันและได้ออกประกาศพระศาสนาในพาราณาสีเป็นครั้งแรกที่พระปั ญ, ญาวัคีย์ทห้5ตลอดมาจนถึงพระนิพพาน น, นวงความว่าวิธีตัดตัณหา ที่จะถึงนิพพานคือความดับกิเลสนั้นตา ม, มา บ, บรัรเบืรอนที่ดังได้กล่าวมาต้องเป็นผู้ที่มีพระไทยเข้มแข็งมากยิ่งมีพระชายามีพระอรรถใหม่ๆนั้นใครๆเขาต้องสําไว้ตัวเองว่าวันนี้เราเป็นพ่อแล้วบัด น, นี้จะเป็นสามีแล้วก็ต้องทำหน้าที่แต่ เราจะไปสะแสวงหาโพธิยาณเรามาคำานึงอยู่อย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่พระองค์ศึกนึกคิดสะหาความพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยพระบารมีในชาติปาก่อนที่เคยอบรมมาความยิงคำสอนในพระศาสนาเรื่อพระพุทธเจ้ามีมารโลกหลายองค์ เมื่อสามเมื่อพระผู้เจ้าเหล่านั้นหมดไปคการสอนค่อยๆหมดไปหมดไปเหลืออย่างวนบ้างหรืออย่างนี้บ้างคนรุ่นหลังก็ปฏิบัติกันไม่เต็มที่ตามคำสอนไม่เต็มที่ตามคำสอนแล้วก็คําสอนอยังเหลือบ้างเช่นว่ามานบผููหนึ่งเช้าขึ้นมาก็ลงไปอาบน้ําไปอาบน้ำว่าพอขึ้นจากน้ําก็หันหน้ากันกับวันออกแล้วก็ไหว้ จำออกเฉียงใต้แล้ก็ไหว้ไปทางทิศใต้แล้วก็ไหว้ตามตกเฉียงใต้แล้วก็ไหว้พรจันร์ตกแล้วเขาเข ก, ก, ก็ไหวตามตกเฉียงเหนือก็ไหว้ไปทิศบุรพาแล้วก็ไหว้พระพุทธองค์ทรงถามว่าท่านไหว้อันนั้นไหว้ใครมานพบก็บอกว่าจ้าเขาชื่อสิงคารามานพบสิงคารามานพบก็บอกว่า มีดามัณดาปูยาตายายตัสอนไว้ว่าให้วายทิศทั้งหลายเมื่อเช้าขึ้นพระพุทธองค์ทรงรู้ทันทีทรงรู้ทันทีว่าคำสอนนห้ศาสนาเก่ายัางหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าเขาจำผิดหมดค่ายเคลื่อนหมดเห็นว่าทิศทั้งแปดนั้นปุรัตติมิต คิดเบื้องหน้าคือบิดามารดาต้องไหว้บิดามารดาดูแลบิดามารดาสองทักษินทิศคือเพื่อนมิตรสหายสามปทิมทิศ ท, ทิศเบาไพาควรวางตนอย่างไรกับคนเหล่านี้จนในที่สุดคือทิศ ท, ที่สุดก็คือสํานัามณพราหมณ์ควรบําเพ็ญกุศลควรทําบุญอย่างไรควรคาระวะอย่างไรนี่แสดงว่า พุทธศาสนาสอนเรื่องทิศ ท, ทั้งหกทั้งแปดแนวนี้แต่ว่าสิงคารมานพปู่ยาจายายจำมาผิดแล้วแล้วก็มาสอนหลานไว้อย่างนี้รอนก็เลยยกมือไหว้ทางทิศตะนออกทิศจะนออกเฉียงใต้เฉียงเหนือเรียกว่าวายทิศไม่รู้ว่ามีคุณอะไรทำตามมาเพนีนี่คือหมายว่านัดถืออยากไม่รู้เหตุไม่รู้ผล นัดถือในสิ่งที่ยังไม่ยัยยยงยังไม่เข้าใจได้แก่นแจ้งเพราะฉะนั้นการนัดถือในเรื่องลัทธิในศาสนานี้ีเป็นจำนวนมากในโลกนี้ในปัจจุบันนี้นโลกสมัยนี้เป็นวิทยาศาสตร์เจริญมากแล้วตามคนยังหลงเรื่องการนัดถือสิ่งเหล่านี้อีกันอีกมากมายไหว้จวนไม้ไหว้ยภะอะไรต่างๆต่างศาลเพียงตาอื่นๆ และในประเทศอื่นๆก็ยังมีอีกมากมายเรื่องเหล่านี้และเรื่องคำสอนในศาสนาที่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานยังมีอีกมากมาย <c oughs> ที่คนเหล่านี้ย่อมหลงงมงายอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมีครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งตัวเองทางพันตัวเองและภริยาก็เป็นครู แล้วก็นึกในใจว่าถ้าหากว่าเราไม่มีลูกในว่าชายหญิงก็จให้เรียนอยู่เพียงสองวิชาคือหมอและครูอย่างอื่นไม่ให้เรียนเพราะอย่างอื่นเป็นวิชาที่เบียดเบียนกันไม่ไม่หมอครูเป็นวิชาที่ให้คุณกับคนไม่ในกล้ใกล้บ้านของครูคนนี้นั่น มีชาวบ้านดูเรือนหนึ่งหลังใหญ่โตพอเย็นขึ้นเขาชอบแบบผีเจ้าเข้าทรงพอ เ, งเวลาเขาทรงคนมายุกแย่มากมายมาถามชะตาชีวิตมาหาโชคลาภอะไรจะพ่อผู้คนนี้ก็พูดบอกจย่างนั้นบอกอย่างนี้สอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้แต่บ้านครูเนี่ยไม่เชื่อ ไม่เชื่อและไม่ชอบด้วยและไม่ชอบมาพูกถากถางอยู่เสมอไอ้โกหกไอ้หล อ, อกลวงเขากินอะไรนี้เป็นจนไอ้ป่ายคนทรงก็ไม่ชอบแต่ไม่รู้จะทําไงคุนคนนี้อยู่นานไปหลายเดือนเขาเลยอาจารย์ครูคนนี้ก็ยังไม่พอใจัลยวันหนึ่งเขากําลังเข้าทรงก็อยู่อย่างนั้นครูคนนี้เกิดอะไรขึ้น บวมแก้มโยเลยลงจากบ้านเข้าขึ้นไปที่เข้ากำลังเข้าทรงกันขอบุกขอแหวกบุคคลให้เขาไปหาเจ้าไปเพ่งก็บอกท่านครับท่านครับผมไม่รู้เป็นอะไรด้วยเนะี่ยแก้มขอบมันบวมบบอย่างเนี้แย้เจ็บปวดมากจ้ยวายคนทรส่งพเพ่งเขาอันนี้บรรดาแล้วทุกวันวารุวัวนเออ ดีนั่นแหละผมนั่หน้าดีนะขอโทษนะกูเองทามึงให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าพอพูดตอนนั้นชายพูดเป็นครูนี่ก็อาปากเอารูาร้อามมานาวออกกระเป๋าเอเอามมานาวอ ม, มัญญะปากเมําว่าอมมาอกกระป๋ากล้าหน้าคนทรงเลือดก็ได้แตกว่านี่มันก็โง่แค่นั้นนี่เพราะฉะนั้นการเชื่ออะไรใครทำไมแปลกถอยล้มหน้ามีวาติกิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรเป็นต้น หลายปิ่งหลายอย่างแต่ความจริงแล้วตามคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนะี่ยไม่ว่าทำในระดับพีนัธ ร, รันหรือในสัจธรรมล้วนแล้วแต่เป็นของจริง น, นั่นสิบบาปมากน้อยบาปจริงจริงบุญมากน้อยบุญจริงๆดีดีจริงๆชั่วชั่วจริงๆเหล่านี้ เ, เป็นสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ทู่สาตรองสั่งสอน สรรประจัศทั้งหลายให้รู้แจ้งเหตงจริงให้พ้นจากภาวะที่มืดให้พ้นจากภาวะที่โง่เขลาด้วยการทั้งทิ่นถาหาว่าบุคคลใดมีปัญญาที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ตัวรอดไปบุคคลที่ดิรันและอื่นๆที่มาเดี๋ยวพระอจารย์มันยังไม่เชื่อถือก็แค่แต่บุญกรรมของเขาเพราะองค์ก็ไม่ว่าอย่างไรอันนี้เป็นต้นอุสาสัรสอนี่เมตตาทานพงสห้าปี แล้วเสด็จพระนิพานลาอัมลาโลกอัมลาชาโลกที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดและสู่พระองค์ก็ไปสู่นิพพานไม่มาองมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีจิตมันตายความดับกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีทิ้งให้เกิดคือกรารมจัญหาภาวะจัหาพวกเหล่านี้กิเลสเหล่านี้จึงทำให้เกิดเหมือนกับ เม็ดมะม่วงยังมียางเมื่อไปเคาะมืันก็เกิดเมื่อเม็ดมะม่วงนั้นเม็ดในมันเชื่อมันมันแห้งหมดแล้วไปเคาะก็ไม่เกิดจิตของบุคคลตัดจากราคะอันเป็นยางโภสะเป็นยางโมหะเป็นยางหมดแล้วเมื่อเวลาทิ้นชีพปร่งสี่ร้อยนิ้วแห้งไปไปแห้งไปปาเมเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีเมื่อเวลานิพเมื่อเวลาได้พ้นจากกิเลสใหม่ๆ มีกำลังช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อสิ้นที่ไปแล้วเมื่อมีกำลังช่วยเหลือผู้อื่นแต่ตนเองถึงจะไปเชิญทุกอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีทุกเพราะกามาตัญหาไม่มีทุกเ พ, พราะภาวะตัญหาไม่มีทุกเพราะวิภวะตัญหาอะไรเป็นอะไรรู้แจ้งแทงตลอดโปร่ปงหมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและเมื่อสิ้นที่ไปแล้วนิพพานเป็นทุกอย่างไร เป็นสุขคือไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าข่าวว่าไปเกิดที่ใดถ้าไปเกิดได้ก็ต้องมีทุกข์ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเพราะฉะนั้นนิพพานดับความเกิดดับสับความเกิดความเวียนว่ายจเกิดทั้งปวงบทสังสารวัฏที่เวียนว่ายใจเกิดถ้าสังสารวัฏยังมีอยู่ความเกิดอยู่ก็ต้องมีกรรมมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสคือเป็นเหตุให้ทากรรม เมื่อทำกรรมแล้ว่ามีผลของกา ร, รเวียนกันอยู่อย่งนี้หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ตรงท้ามแก่ตายไปถ้า แ, แก่ตายไปแล้วมาเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้หมุนอย่างนี้นิพพานอย่างเดียวฉะนั้นที่ไม่ต้องมาหมุนไม่ยอมมาเป็นพวกต่อ น, นี้อีกต่อไปนี่คือธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พ่านวัตระรสัมมาสามัมโพธิญาณแล้วก็มาสั่งสอนเพราะฉะนั้นอารมณ์ของผู้ถึงนิพพานธรรม เป็นผู้ที่มีความหมดจดเป็นผู้ที่มีความสะอาดเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นผู้ที่เป็นรู้แจ้งโลกไม่มีใครอื่นใดที่จะเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นคุณธรรมที่สูงสุดนิพพานเป็นทรรเพื่อให้พ้นทุกข์บุคคลผู้เมื่อมานึกถึงพระนิพพานในคนทุกข์เป็นธรรมสูงสุดก็จะทำให้จิตใจของบุคคลนั้น เม่อพิมเบิกบานเมื่อตั้งใ จ, จเจริญรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยความตั้งมัน่นเมื่อตั้งใ จ, จเจริญจิตเจาวนาก็ทําจิตปรวาัาให้ตั้งมัน่นและเมื่อเรียนปัญญาก็พยายามทําให้ด้วยความภาคเพียรพยายามทวนรู้เห็นตามความเปจริงว่าทิ่งข้างปวงเกิดแต่เหตุเมื่อจะดับเพราะเหตุเหมือนกับที่พระอัจาิกล่าวกับอุปจิตตาว่า เยธรรมมาเหตุปัปภาวเยสังเหตุงุตตะโจเยสัญจโยโนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนต่อพระสาลีบทเรคือว่าอุปจิตตาว่าพระศาสนาทรงสอนว่าสิ่งข้างควงเกิดแต่เหตุเมื่อจะให้จับก็ต้องดับที่ต้นเหตุพระมหาสมณะทรงตัดสอนอย่างนี้ทำให้อุปจิตตคือสารีบทได้ดวงตาเห็นธรรม ในทวงตาเห็นกันจึงทิ้งลัทธิเดิมและไปหาเพื่อนและบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเด็๋ฟังธรรมเป็นอัครสาวกการังสำคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการเผยแท่พระศาสนาได้ดีเป็นอย่างยิ่งดังนี้เพราะฉะนั้นการนึกถึงธรรมคือนิพพานธรรมเป็นเหตุให้จิตใจเกิดความผ่องแผ้บุคคลนึกถึงสิ่งใดที่สะอาดก็ทาให้ใจสะอาด บุคคลที่นึกถึงสิ่งใดที่โักระปกก็ทำให้เกิดใจทกักรปงนึกถึงคนดีก็เป็นเหตุให้ประกอบความดีหรืออยู่คนชั่วก็ทำวามชั่วเป็นปายเช่นนั้นพระพุทธองค์ยังได้ทรงแสดงมงคลว่าอะเทวนาชปาลานังปันติจานาจเสวนาไม่พึ่งพบคนพาลพบแต่บัณฑิตผู้รู้ดีรู้ชอบดังนี้เพราะฉะนั้นคาสอนของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนไว ล้วนแล้วจะเป็นของถูกผิดก็เลิกเสียเป็นของที่ผิดจริงๆไม่มีกลับให้เป็นดีไปได้ของดีทําไปให้เต็มที่ไม่กลับกลายเป็นของเสียได้เร่อนี้ต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจน้อม น, นึกถึงนิพพานธรรมของพระองค์ที่พระองค์และพระอริยาสาวกพระจัจเลดอาชอกทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วพระองค์ทรงหมดทุกหมดโศ ก, กหมดโรคหมดภัย หทอันตรายคือหมดกิเลสแล้วมีความผาสุขนิพพานแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนึกถึงอารมณ์นี้ด้วยศรัทธายิ่งให้จิตใจของเราผ่องแพ้วแล้วตั้งใจภาวนาพุโทโธก็ได้หรือตั้งใจพิจารณาว่าเรายังต้องแก่ต้องเจ ต, ต้องตายให้เห็นกามความเป็นจริงเพื่อถอนอาการนิทิติคือความยึดมั่นถือบั่นว่าเป็นตัวเป็นตน เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหนักเมื่อถอนออกจากหนักแล้วจิตของเราก็จะเบาตัวของเราเขาจะเบาก็เข้าสู่นิพพานธรรมถาหาว่าเข้าสู่นิพพานธรรมในประเทศเล็กคือหมายความว่ า, วายังไม่ถึขีดขาดบททั้งอย่างเป็นพระโสดาบันไปถึงสักคาข า, ขามีเหล่านี้นเป็นต้นยังเวียนว่ายอยู่อีกแต่ว่ามีเวียนว่า ย, ยน้อยชาติแม้จะได้นัดถึงนิพพานที่สุดเมื่อได้ถึงขั้นตนดังนั้นแล้ว ก็เข้าถูกครองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้ทำระวัในาวามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่เราที่จะปฏิบัติเดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นบุญอย่างยิ่งต่อนนี้ไปรวงั้งใจจะเดินจิตกับภาวนาตามจิตใจของเราให้โปร่งใสเหมือนกับนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาต่อไป เพื่ออบรมจิตใจของเราให้หมดจดจับเครื่องสมองตามคำสอนของพระาสดาต่อไป